สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบั น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่438เรื่องเนื้อหนังหรือวิญญาณพี่น้องครับประเด็นที่ผมจะพูดและแต่งปันให้กับพี่น้องฟังในเช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตของเคริสตียนที่พระเจ้าหรือพระเยซูได้ทรงคาดหวังเมื่อพระองค์ได้ทรงประานพพระพระะชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ พวกเราเรามีสองทางเลือกครับว่าเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินโบที่สิบสองข้อสิบสามและหนึ่งโครินโบที่หนึ่งข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดเป็นคำเตือนของอาจารย์เปโลต่อคริสคริสเตียนชาวเมืองโครินครับจดหมายฉบับแรกที่ ท่านอัครทูตเปาโลเขียนถึงพวกเขาพวกเขาทุกคนนั้นได้รับปวิญญาณเรียบร้อยแล้วท่า น, นหมายความว่าท่านใช้สั์ว่าพวกเขาทุกคนนั้นได้รับปฏิสมาด้วยเพื่อนญาณบริสุทธิ์และในขณะที่เขารับปฏิสมาด้วยเพื่อนญาณบริสุทธิ์นั้นก็ตามมาด้วยของประธานฝ่ายวิญญาณครับถึงกันนั้นก็ดีอัครทูตเปาโลก็ได้ตําหนิพวกเขาที่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง หมายความว่าเขามีชีวิตอยู่จำลองชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีผู้วิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาแม้ว่าจะมีของประทานฝ่ายวิญญาณเยอะแยะมากมายในขีดจักรของเขาแต่ชีวิตของเขาประจำวันนั้นไม่ได้เปลี่ยมล้นด้วยพู้วิญญาณบริสุทธิ์ครับยังดำรงตนอยู่ในฝ่ายโลกหรือฝ่ายเนื้อหนังแต่ท่านอาครทุสเปาโลนั้นก็ได้ชี้แจงเห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยมล้นด้วยผู้วิญญาณนั้นไม่ใช่แสดงออกมาโดยการใช้ของประธาน แต่แสดงออกมาอยู่ที่ผลของพงยัญญาณครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยมล้นด้วยพยัญชนิสุดของแท้นะครับก็ต้องโชว์ออกหรือแสดงออกที่ผลของพงยัญญาณบริสุทธิ์และผลของพวัญญาณบริสุทธิ์นั้นมีเก้าอย่างชัดเจนครับสาลาเทยบทที่ห้าข้อยีิบสองนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าของประชานที่อยู่มากมายมีมากมายนะครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลของพุ่ญยานที่พวกเขามีน้อยเขามีของประทานมากแต่ผลของพุ่งยานน้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าของประทานกับผลของพุิญญานนั้นก็เป็นคนละเรื่องกันจะสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคริสเตียนที่มีพุ่งยานเบยสุ์แล้วเขาได้ดําเนินชีวิตตามการทรงนำของพุ่งญานเบยสุทธดหรือเขาเบี่ยมร่นในพุ่งญานสุดหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นจากคําว่าผลของพุ้งยานบริสุทธิ์นั้นซึ่งหมายความถึงกาลาเทียบทที่ห้าข้อยีิบสองซึ่งมีเก้าอย่างนั่นคือชีวิตครับนั่นไม่ใช่ของประธานเปาโลเขียนนะครับว่าเปาโลไม่อาจเรียกเขาว่าเป็นคริสเตียนฝ่ายวิ ญ, ญญาณแต่ต้องเรียกว่าเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังหรือทารกในพระคริสต์ถามว่าทําไมเรียกว่าทารกในพระคริสต์ครับเพราะว่าเขายังคงเป็นฝ่ายเนื้อหนัง ยังไม่เจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณเขาอาจจะมีความสามารถมีของประทานหลายอย่างและโดยเขาอย่างยิ่งของประทานหลายอย่างที่เขามีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับของประทานฝ่ายวิญญาณด้วยแต่เขาไม่ได้เนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณอย่างแท้จริงเขาไม่เดนเนินชีวิตด้วยชีวิตที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณอย่างแท้จริงเขาังเอาทางโลกทางภูมิปัญญานะครับของตนมาตั้ง แต่เขาไม่ได้เอาจริยธรรมเอาหลักการของคริสเตียนเอาชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นคำพยานที่ดีมาเป็นที่ตั้งเห็นได้จากความเข้าใจอย่างตื้นตื้นและการอิจฉาอิจฉาอิจฉาลิสยาแก่งแย่งชิงดีกันแม้ว่าพวกเขาได้รับปับมาด้วยพระวิ ญ, ญาณบริสุทธิ์และมั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายเพื่ ญ, ญาตแต่เขามิได้เปี่ยมล้นด้วยพระิญญาณบริสุทธิ์ เราสังเกตได้นะครับว่าท่านอคาทูตเปาโลนั้นแยกแยะความแตกต่างไม่ใช่ระหว่างผู้รับประสิทมาด้วยพวิญญาณแล้วกับผู้ที่ไม่ได้รับแต่ท่านแยกระหว่างคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนั่นคืออะไรครับนั่นคือเส้นขีดนะครับแบ่งที่ว่าคริสเตียนนั้นฝ่ายวิญญาณจะต้อง เตี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การสรงนำของพระวิญญาณและคริสเตียนใดคนไหนก็ตามที่ถูกเนื้อหนังครอบงำนะครับพวกเขาก็ไม่ต่างจากสภาพของคริสเตียนชาวเมืองโครินเท่าไหรนะักและคริสเตียนชาวเมืองโครินเนสก็เป็นตัวอย่างครับเป็นสภาพของพวกเราทั้งหลายหลายคนในทุกวันนี้จริงๆแล้วเราไม่ควรจะปฏิเสธครับว่าตามบั้มผีนั้น เราได้รับพระวิญญาณเรามีพระวิญญาณแล้วนะครับเรามีพระวิญญาณได้ยังไงครับขอทบทวนครับเรามีพระวิญญาณเพราะเนื่องจากเราบังเกิดใหม่เรารับประทานมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะเราได้สํานึกความผิดบาปเชื่อพระเยซูการที่เรารับประทานด้วยน้ําก็ชี้บ่งได้รับรองการรับประทานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คําถามในวันนี้ก็คือเรามีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า นี่แหละครับคือปัญหาครับปัญหาจริงๆหลายคนไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนล้นด้วยพย้นวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือหลายคนอาจจะสับสนเมื่อมีคนพูดบอกว่าจะต้องมีอาการแสดงภายนอกเช่นการพูดอะไรบางอย่างหรือการที่จะต้องมีเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ได้รับพระวิญาณบริสุทธิ์แล้วพี่น้องครับ ย้ายเรายึดติดกับอาการภายนอกเหมือนกับที่ผมเคยพูดนะครับว่าการคอนเน็กตหรือการติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือสิ่งที่อยู่ข้างในวิญญาณของเรานะครับสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณของเรานั้นถูกจุ่มหรือถูกบัพติศมาเข้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์และในการอธิษฐานครับเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับ หลายหลายคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเคยวันในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราเองนั้นบังเกิดใหม่แล้วเราแน่ใจในความรอดแล้วนะครับเราต้องมั่นใจว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องพูดภาษาอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรหรือ มีการอาการอะไรภายนอกนะครับอันนั้นเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราเข้ามาดูนะครับว่าการที่เราจะมีหลักฐานอะไรที่แสดงถึงการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดที่น่าปรารถนาน่าชื่นชมยินดีเราจะทําได้อย่างไรนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่า เราจะทําได้ด้วยการสารภาพบาปครับด้วยท่าทีแห่งการกลับใจใหม่คริเสเตียนนั้นมีท่าทีหรือมีนิสัยของการกลับใจใหม่ตลอดเวลาครับมีนิสัยที่จะต้องตรวจสอบตนเองตลอดเวลามีนิสัยที่จะต้องหันกลับมาดูชีวิตของตนตลอดเวลามีนิสัยที่จะต้องเอาคําพูดของคนอื่นมาตรวจสอบเอาพระเจชนะของพระเจ้ามาตรวจสอบและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ คำพูดของคนอื่นนะครับเราจต้องฟังและในวลเดียวกันเราก็มานั่งดูชีตของเราว่าเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดหรือไม่และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันเรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเอาพระวจนะของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นตรวจสอบชีวิตของเราครับเมื่อตรวจสอบชีวิตของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเราผิดอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องถ่อมใจก่อนครับ เราจะต้องมีท่าทีที่อยากจะกลับใจใหม่เราจะมีท่าทีที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะพัฒนาชีวิตของเราจากขารกให้กลายเป็นผู้ใหญ่ในพระกริจต้องจุดนี้เองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเป็นที่สตียนมานานแค่ไหนเราจะเป็นลูกหลานที่สตียนหรือมีแบ็กกราวน์เบื้องหลังที่สตียนหรือเคยทํางานรับใช้กับที่สตียนหรือแม้กระทั่งเป็นผู้รับใช้ก็ตามพี่น้องครับตรงนี้ นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่า น, นั้นก็คือว่าเราเองนั้นมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่เรามีท่าทีแห่งการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรตวจสอบชีวิตของเราและเราพร้อมที่จะกลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่าถ้าเราพร้อมอย่างนั้นพระวิญญาณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับในวันนี้อยาจะให้พี่น้องได้มีโอกาสกับ ที่จะรับการเปลี่ยนรถในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการกลับใจใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรวจสอบชีวิตของเราว่ามีอะไรที่ซ่อนเร้นมีอะไรที่ทับซ้อนมีอะไรที่มีปัญหาอยู่ในชีวิตของเราจะเป็นปัญหาม o ทิน i n บาปจะเป็นปัญหาการล่วงละเมิดจะเป็นปัญหาการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมีปัญหาเรื่องการเชื่อฟัง มีอะไรหรือไม่ในชีวิตของเราที่ยังไม่ได้สรารภาพและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณให้เราสรารภาพและเราจะเปลี่ยนล้นด้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะเราจะได้รับการยกบาปที่แท้จริงให้อภัยที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันทุกๆคนอาเมน